สวดไปนานานๆต้องสวดให้ไปรอ้ออย่าไปสวดแข็งๆกระดังกระดังสวดให้ น, นิ่งนวลสวดให้ไป ร, ระ้อาสนั่นสลวยที่เขา ร, รับสายมันได้อย่าทําเสียงให้มันแข็งๆทาเสียงให้มันสนุ่นสะลวยสวดหลายคนเข้ากันเวลาไปสวดมน ในกิจในที่นี่หมดเหมือนกันพูดหนำเราจะไม่จอปากมันก็ดังกรบหมูหม้อหมูเลยแต่ปาพประอาระงราบอีเล่านี่ยโผิดผิดเด็เสียงบอกเราตะโกนจนหมดแรงแ่ะเสียงบมดได้ยินไหเสียงไม่มันคลุ้มหมดสเสร็จแล้วก็สเสร็จแล้วก็ผ้ส า, าสวดผิดได้แทนี่ คือไม่แล้วผ้าผุดพ้าสวดผิดเนี่ยนี่คราวจะแล้วนะายจะคุณอดรพ้าสวดโอ้สวดธรรมจักรเนี่ยผิดแล้วผิดเองผิดแล้วผิดผดีอยู่นั้นแหลนะนี่น้องบวบานคราวจแล้วโอ้บัวเถ่าลืมลายเอามาจาะปากในย่างไม้เนี่ยสวดม่อนเนี่ยเอาหนังหาสงสักซอกนึงไปนนะ่ะให้เสียงหมูเขาเข้าไปในไม้ด้วยเสียงมันจพะพอร์กที่ในเหมือนกันเลย ที่ไหนถ้ามีไม้ส่วนตามบ้านตามอะไรเหมือนกันถ้ามีไม้แล้วเนี่ยผู้นําไม่ได้ระวังเดิมนี่เอาไม้มาจ่อปากเ่ยดังผู้เดียว้วยสิพาผิดก็ผิดไปเลยเด้่ยพายจะไปดัดได้เสียงไม้มันดังกว่า เ, เดินทันวาทิแล้วเนี่ยเป็สนสวดที่บางคุณวันนี้อาจารย์จิรวัตร ถ, ถือไม้เลยคนเสียงดังนีดูแล้วว่าถือไม้ เอาไปจอฝั่แต่โอ้เดี๋ยพระนุมก็ยัง ด, ดีมันไม่ผิดมันไม่ผิดวันพัะแก่ลระพุทธเจาเนี่ยท่านพาสวดผิดเดี๋ยวผิดเดี๋ยวผิดขึ้นถึงบทขึ้นแต่ละบทแต่ละบทเนี่ยพาขึ้นผิดแล้ะทำไมจับเนี่ยเขาที่แล้วกระเทือนเกิดวางแมงขง่าหรือไม่ให้หมูงนุ่ม เข า, าพาขึ้นว่าผิดอะนะแต่ก็มาคิดอีกอย่างหนึ่งก็พุทโธก็ตั้งใจแต่บอกว่้เรื่องผิดมันก็ผิดอนะนรตั้งใจจะนำาปาปสุดไปมันผิดผิดร้ย แ, แทรถ้าเราเสียงดังเสียงดังก็ต้องเสียงไปเราะเสียงถูกว่าถูกที่ก็รักษ ไพ่รอบสลับสลวยวางปากให้มันถูกระบบปากระบบลมระบบบัคขับเสียงวางมันได้หรืว่าเยาว่าตาเคยชินส่วนไปร่ไปรอบวางไปเรอบคือความสลับสลวยวางถูกต้องมันแข็งกระดามันเข้ากันง่าย น, น่ฟังมันก็ชวนฟังมันมกระแทกเสงระความไบเรอะก็คือความไม่กระตบกระแทกทำจิตสงบเลยทำจิตฟังจิ ต, จตรื่นจิตสงบมันไม่มีแขนมีปมมีอะไรคอยไปขีดไปขูดไปควนความ รู้สึกมันเสียงดนตรีนะี่เสียงดนตรีชวนกล่อมให้เรารู้สึกเสียงบตรีที่ที่เขาเปิดเสียงเศร้าๆโศกโศกใช่ไหมเนี่ยคิตใจมันก็เคลื่อไปคิตใจคิตใจมโนมโนมโนใจศัพท์ภาษาบาลีเขาบอกมโนมโนแปลว่าใจจิตจิตเขแปลว่าใจ มนโนแปลว่าใจใจเนี่ยมโนแปลว่าน้อมคอเนาะมโนมัน้อ น, อ น, อ น, อ น, อนอไปตามอารมณ์ถ้าอารมณ์ขัดเคืองมันไม่ไปลยถ้าอารมณ์อ่อนนไปเรอล้งความไปพราะ คองคำสวดเนี่ยทำคนฟังเครื่องเหมือนโบราณทันเล่ า, ข, าข่าวฟังพิธรมคำวสวดมนต์นี่ทำข้ า, ขาวฟังไพเราะฟังเพื่อหลุดมือหลุดไม้ตกปะเป๊ะปะป๊ะทีละตัวสองตัวตายตก ตกไปก็แทบพื้นแข็งแข็งตายเคลิ้มไปกับคําสวดของพระแค่นั้นก็เป็นกุศลนีการที่เขาตั้งใจฟังฟังสวดที่ไพเรานะมันเป็นกุศลเสียงธรรมเสียงกุศลตั้ใจสะกบตกจงไปแทบพื้นตายตายไปขึ้นไปสวรรค์หมดไปเกิดบนสวรรค์หมด เหตุคือฟังสู้กันเละมันไม่รู้เรื่องหรอกมันไพเราะมันฟังไม่รู้เรื่องหรสวดภาษาอะไรทมันไม่รู้เรมันไพเราะเคลือ่อมือเล็บหลุดตกปักเลีวปักเรีวปักตด้วยการบชูชา บนสวรรค์ก็ต้องเป็นเทวดาไม่ได้เป็นข้างข่าวข้าขาวบนสวรรค์ไม่มีบนสวรรค์ไม่มีสัตว์เดรัจฉานบนสวรรค์ไม่มีสัตว์เดรัจฉานมีเทพเทวดาเท พ, เทพอมรแหรื ว, ว่าไม่ตายเทพเดีดตายเหมือนกันจุดติเหมือนกันแต่ข้าเขาเขาเรียกอมอน มุมอมนตุเทศสวรรค์อยู่บนสวรรค์สวรรค์แปลว่าที่ที่เป็นที่อารมณ์ดีอารมณ์อะไรดีมั้งรูปสวยงามต้นไม้ประดับประดาสวยงามพื้นแผ่นดินสวยงามถ้าคนมีศิละปะอ่อนนิ่มไปกับหลักธรรมชาติสวยงามไปหมด รูปสวยงามทั้หมดเสียงก็มิแต่เสียงไงเพเราะเราะทิ้เสียงผู้เสียงฐานเสียงนดนตรีประคับประคองกลิ่นก็มีแต่กลิ่นหอมๆนะอยู่ในสวนสวรรค์ดอกไม้ทิพมณฑาต่างๆนั้นนสวรรค์อ๋กลิ่นรถก็มี่รถทิพสัมผัสก็มีแต่สัสมผัสทิพสวรรค์เป็นที่เป็นที่ที่อารมณ์ดี อารมณ์คือสิ่งที่ใจมันออกไปสัมผัสไปเกี่ยวข้องเน่ยตั้งเรียกว่าอารมณ์อารมณนะอารมณ์นั้งเรียกว่าอารมณ์อารมณ์คือสิ่งที่ใจไปเกาะเกี่ยวใจไปผูกพันตั้งเรียกว่าอารมณ์มนุษย์เขามีความสุขขนาดนั้นนะเหมือ น, นโลกมนุษย์เรามนุษย์เรากระทบกระแทกโจกหกห้า ก, กระแทกแดกดันบุ้งซ่านําการชนเครียด ไม่หมดรอบข้างรอบด้านใจตัวเดียวดิเนี่ยมันมันน้อมไปหาอารมณ์ใจอมันน้อมน้อมไปหาอารมณ์มโนมันโนแต่ว่าน้อมอย่ น, น้อมคือมันโอนมันเอียงนั่นแหละโอนเข้าไปมันน้อมเข้าไปความน้อมนี่ถ้าเราดูรวงข้าวเป็นอุปมาเนี่มืองาม วงข้าวที่มันก้มมันอ่อนไปทิศทางเดียวกันนะงามมันดุแต่ละรวงแต่ละรวงน้ำรวงไครรวมมันอ่อนน้อมเหมือนกัดอกยาเหมือนดอกยาหรือเหมือนดอกลาที่มันถูกลมพัดไปเลี้อวไปทิศทางเดียวกันเพราะว่ามันน้อมใจมันน้อมใจคือผู้รู้ ใจคือสิ่งที่รู้คือผู้รู้คือธาตรู้ธาตรู้มันก็น้อมไปหาอะไรน้อมไปหาสิ่งที่พายรู้อารมณ์อารมณ์สิ่งที่พายรู้ถ้าเป็นตัวของตัวมันก็ไม่น้อมไปปกติมันอยากน้อมไปน้อมไปหาอารมณ์น้อมไปหาอารมณ์เพราะฉะนั้นอารมณ์อะไรก็ตามที่มันเด่นที่สุดชัดที่สุดมันจิตใจในอารมณ์อะไร จะน้อมไปหาอารมณ์นั้นแหะใจน้อมเรื่องเขาเขาที่ถึงออกถึงใจถึงจิตถึงใจเนี่ยในเวลาชั่วโมงที่ผ่านมาในเวลานาทีที่ผ่านมาในเดือนที่ผ่านมาในสัปดาห์ที่ผ่านมาในวันที่ผ่านมาอารมณ์นั้นๆก็ยังเด่นยังเด่นอยู่ในใจเพราะหละักใจน้อม น, นึกไปถึงอารมณ์อารมณ์ที่มันคือบุนแรง ามททุอารมณ์ที่ทําให้เราเสียใจก็ทำให้เรานอมนึกไปหานั้นแหละนั่นเราได้รูว้ว่าเสียใจมันทุกข์มันก็ไม่อดอดไม่ได้ที่จะน้อมไปน้อมไปโดยสัญชาติสยามของมันนี่คือสัญชาติสยามของใจแต่ถ้าใจฝึกได้เนี่ยใจเป็นตัวของตัวเป็นใจฉลาดใจมีปัญญารู้จักวินิใจฉัยใครควรควรไม่ควรเหมาะไม่เหมาะเสียเวลาเวลา เสียสภาพจิตเสียอะไรไงแต่ถ้าไม่มีปัญญาแล้วไม่มีกุศลในจิตคือไม่มีความฉลาดในจิตมันก็สเปสะสปะ่เหมือนกับเป็นเหมือนกับมีกระแสดูดอารมณ์มันดูดไปถ้าอุปมาเหมือนกับถ้าเราจะอุปมาเหมือนกับเปเลวเหมือนกับควันเนี่ยอาจะอุปมาเหมือนกับควันน ควันมันถูกน้อมไปมันถูกดูดไปดึงไปแท้จริงควัน่ยมันถูกลมตีลมมาจากทิศเหนือมันก็ตีไปทิศใต้ลมมาจากทิศตะวันออกมันก็ตีไปทิศตะวันตกอารมถ้าเราจะเที่ยวมันก็มันหยุดตรงข้ามมันดูดไปควันดูดดูควันไปดึงน้อมไป ถึงอารมณ์เกที่เคยดฝังจิตฝังใจอยู่นั้นอารมณ์รักเฮ้ย อ, อารมณ์ชังอารมณ์เกลียดสิ่งแปลกปลัดอัศจรรย์ในใจนั่นแหละแต่เราไม่เคยแปลกปลัดอัศจรรย์ใจของเราเองนีง่เพระเราไม่เคยย้อนมาพฤติกรรมทุกอย่างเราต้องย้อนมาเราต้องแคร์รู้สึกตัว ติกรรมของมนุษย์ทุกอย่างเนี่ยถ้ามนุษย์น้อมมาแล้วมนุษย์จะรู้สึกตัวเองความประติทุกอย่างเนี่ยถ้าเราน้อมมาเรารู้สึกรู้สึกตัวเองมีคนอื่นเป็นตัวตั้งให้เรารู้ให้เราเห็นเป็นตัวยืนเป็นหลักเป็นประธานทมนุษย์มองไปข้างหน้าแล้วก็ย้อนมาข้างหลังคือมองดูตัวเองจะเห็นตัวเอง เ็นความประพฤติกิริยาทางกายความประพฤติ ท, ทางวาจาคำพูดจพภารกิจการงานที่เราทำเป็นพฤติกรรมที่มนุษย์เกิดทาถ้าเราย้อนมาแล้วมันทำให้เกิดภาพสะท้อนความสะท้อนนี่ทำให้เรารู้สึกตัวเหมือนกับเรามองดูกระจกเงาพอเรามองเข้าไปแล้วมันเห็นเงาของตัวเอง มองเห็นเงของตัวเองแล้วก็เห็นที่เห็นทิฏะตรงนั้นดีตรงนี้ไม่ดีเห็นผมตรงนั้นรุงรังตรงนั้นสั้นตรงนั้นยาวชสื้อผ้ารุ้งหมปาบิดปากเบี้ยวเป็นสีเป็นสันเป็นสดสดเหี่ยวเหียวแห้งแห้งเป็นอะไรรูหมดหน้าตาผุกบุดบึ้งบึงบึ้งบึงตึงตึงรู้หมด ไม่จบเขาดูดูเพื่อแต่งพฤติกรรมมนุษย์ของเราของเราทุกคนเราเรามีหน้าที่ที่จะย้อนมาดูตัวเองนี่คือการประพฤติทธรรมถ้าเป็นการประพฤติทธรรมในย้อนมาดูตัวเองแต่ถ้าไม่ใช่เรื่องธรรมเนี่ยส่งไปข้างนอกนพุทธประพฤติ์ส่งไกลส่งไกลทรงไปอดีตอ น, นาคตทรงไปหมดไม่เคยย้อนมาดูเมื่อเราไม่ย้อนมามันเลยไม่ได้ความเพียบเพลีย นงเราไม่ได้เทียบเคียงสิ่งเทียบเคียงเนี่ยมันเป็นเครื่องศึกิจเราเอับทำให้เราเกิดความรู้สึกว่าดีไม่ดีเหมาะไม่เหมาะควรไม่ควรสภาพไหมเรียบร้อยไหมเรารู้ไม่ได้จึงการย้อนมาดูพฤติกรรมของตัวเองจึงเปรียบเสมือนกับจับเงาสองดูตัวเอง นี่เป็นการระมัดระวังเป็นการรักษาเป็นการระมัระวังพฤติกรรมเป็นการรักษาพฤติกรรมเป็นการคัดเปล่าพฤติกรรมของเราให้น้อมไปในทิศทางที่ดีนะความดีงาความถูกต้องไม่ผิดไม่เพี้ยนไม่ผิดโมงงั้นเดไม่ผิดไม่เพี้ยนโม่ถ้าลืมตนแล้วก็หมดนี้ การจึงคือคำเทียบเทียมลืมตน้นลืมตนลืมตัวลืมตนลืมพฤติกรรมเก่าจบของเท่ยบเทียมลืมตนลืมตน้นก็คือลืมส่องดูตัวเองลืมส่องตัวเองก็คือเราไม่เคยดูเงาเราในกระจกรูเป็นไงเป็นไงเนี่ยแต่งแต่งตัวลงลงุลงลังอะไรยังไงไม่รู้เรื่องเลยพฤติกรรมที่เราส่องดูตัวเราเองคือดูกิริยาทางกายทางวัจชาทางกายกิกราณาเนบะ่าว นอบน้อมถ่อมตนหรือเปล่าคําพูดคำจาประกอบไปด้วยความนอบน้อมประกอบไปด้วยความเคารพประกอบไปด้วยประโยชน์ใครได้ยินได้ฟังก็ได้ประโยชน์หมดอย่าทำวิาายญาณมาทางใจอีกก็รู้อีกเหมือนกันใจเราแข็งใจเราก็ด้างใจเราทิฐใจเรามานาใจเรามึดมึดทึ บ, ทบ ให้เราไม่สดไม่ใสไม่สว่างทุกๆมีแต่ความมืดๆทึททบๆบดบังใจอยู่นะไม่สว่างไม่เคยส่องมาแท้จริงโดยทำแล้วในการส่องมาการย้อนมาเหมือนเกินเป็นการมาชะมาล้างมาขัดมาเกลาพฤติกรรมให้เราสำรวมระมัดระวังอยู่ในข้อปฏิบัติของเราข้อปฏิบัติเกี่ยวกับอะไรทั้งหมดดูดีความดีความงามความเหมาะสม เกิดประโยชน์มันมีประโยชน์อยู่เนาะยอนดูตัวเองมีประโยชน์การย้อนเข้ามานี่มีประโยชนาา์ทั้งหมดย้อนดูตัวเราย้อนดูข้างนอกย้อนดูตัวเราย้อนดูข้างนอกเมื่อเมื่อเรารู ป, รปดูรูปหนึ่งก็ไปเทียบอีกรูปหนึ่งวอ้รูปนี้ดีสละสลวยงดงามดูตัวเราโอตัวเราไม่ดีไม่สละสลวยมีงดงาม รู้จะกปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตัวเองให้ดีไม่ได้อยู่กับสังคมอย่างผาสุก ม, มีอะไรเป็นเครื่องกระทบกระแทก ม, มีปัญหาเป็นเครื่องขัดข้องมันก็รับดื่นสุขสะดวกสบายมันไม่มีอะไรมาทิ่มแทงหัวใจ ก็เป็นพฤติกรรมทำเอาเท่านั้นแหละลองช่วยกันระวังหน้าไฟป่าเลยไอยยางนี้ไฟป่าคนมันไปจุดในป่าก็เลยกลายเป็นไฟป่าติดขึ้นมาแล้วเนี่ยพวกเรานี่ยุ่งเดือนรอนไปดับไฟป่าต้องระวังเนี่ย นี่เมื่อวันที่สี่วันที่ห้าเนี่ยเขาไปดับไฟป่าอยู่ที่อำเภอผือตายไปสองคนหนุ่มๆเนี่ยตายสองไฟมันครอบตายอยู่ในหุบลมมันตีมามันไม่มีที่หลบเลยกระทะตายอยู่ในร่องห้วยนะนั่นแหลี่วัดพูนาหลาวเนี่ยอำเภอผือเนี่ยเมื่อวันที่สี่วันที่ห้าคนหนุ่มๆอายุยี่สิกว่ายี่สบสองยิบสามถูกไฟครอบตาย ที่แรกอาจารย์อาจารย์นั่นแหละอาจารย์บุญมีภูนาลาวนั่นเห็นไฟก็เลยให้คนไปดับพอวันที่สองไม่วันที่สองไฟยังไม่ดับอีกคนในบ้านก็เลยชวนกันไปดับลูกน้องลูกน้องของร้านอะไรไมันกนขึ้นไปดับหลังจากดับเสร็จสำรวจดูมูงขั้วอ้าวหายไปสองว่ะ บางวนนนนันเนี่ยเนี่ยไม่ใช่กลางคืนนะบางวันเนี่ยหายไปสองคนไปคนมาเดินดูไปเดินดูมาเห็นดำต่อตะโกไฟครอบตายไปดับไฟระวังต้องระวังอย่าไปอยู่ในที่อยู่อย่าไปอยู่ในที่ที่มันอับมันตีไปแล้วไม่มีที่หลบแต่ไฟเราไฟแถวเราเนี้มันไม่แรงกว่านะ วันนั้นใครบนวันนั้นใครเกือเป็นลมเป็นแรงแล้วก็อีกอย่างก็คืออดข้าวเนี่ยไม่ออกไม้ฉันแล้วก็ไปดับไฟต้องระวังเป็นลมเป็นแรงลงเป็นลมเป็นแรงล้มล ง, ลงเนี่ยหมดสติเนี่ยไฟลามาเนี่ยเผาพอดีเลยสิ่งเหล่านี้เราได้พบได้เห็นได้ยินได้ฟังได้ทําได้อะไรเท่านั้นพิจารณาเป็นคาให้หมดได้ประโยชน์ พิจารณาเป็นธรรมไม่ได้ประโยชน์อกพิจารณาเป็นธรรมพิจารณาอย่างไงก็ไม่พ้นย้อนย้อนมาย้อนมาดูที่ใจของเราเนี ย, ย้อนไปย้อนมาย้อนมาย้อนไปย้อนเข้าในอไปข้านอกย้อนข้านอกมาข้างในย้อนกลไปย้อนกลับมาการสังเกตสังการนั่นเป็นการไข่ครวญเป็นการพิจิตพิจารณาเป็นการไข่ครวญแล้วก็เป็นเหตุให้ได้ได้ได้ปัญญา เป็นเหตุให้ได้เหตุเห็นผลแล้วก็ดูไปเห็นเหตุแล้วก็ดูไปที่เหตุบาทีกท่ก็เห็นผลทุกอย่างในโลกมีสองอย่างทั้นมีเหตุกับผลทนั้นแหละเราอย่าไปดูโลกให้เกิดความสับสนวุ่นวายดูไปที่เหตุที่ผลน่ยมันก็หมดหมดความสับสนวุ่นวายแล้วตอนนี้เราได้ประสบพบเราได้ประสบผลอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เราก็ย้อนไปที่เหตุ ย้อนไปที่เหตุโอเหตุอย่างงี้ดูพอดึงพอตัดพอเหนี่ยวพอรั้งพอยกออกพอเผาทิ้งเผาเลยหมายถึงอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงยกออกดูคนว้าไล่ไปไล่มาไล่มาไล่ไปต้อนไปต้อนมาต่อนมาต้อนไปไ ม, ม, นมันก็หมดปัญญาเราเหมือนกับสติปัญญาของเราเหมือนกันกบไฟย้อนไปแล้วมั้งครับรีรีเรียนเรียกินอ่ะกินหมด รู้หมดเข้าใจหมดไม่มีประโยชน์ที่มีกันชาไม่มีสารอะไรทิ้งเอาไว้เกี่ยวไมไดมาทำไมย้อนจับผลไปหาเหตุบางทีเราก็ไปจับเหตุสาวไปหาผลจับไปสาวไปสาวไปสาวไปสาวไปถึงผลโอ้เหตุนี้เหตุนี้ที่เราประกอบด้วยอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้มันจะเป็นเหตุ เป็นไปเพื่อผลอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นี่เหตุอันนี้เป็นไปเพื่อความสุขเพื่อความเจริญเพื่อความไม่ทุกข์ไม่ยากไม่ลําบากไม่วุ่นวายทางปัใจทํารรมเป็นศีลคือธรรมศีลธรรมต้องขึ้นขึ้นหน้าขึ้นใจเพราะศีลธรรมนี้เป็นหลักประกันพูทธเจ้าทำรับประกันแล้วเรื่องศีลธรรมพุทธเจ้ารับประกันแท้จริงหลักธรรมชาติรับประกันแต่พวกเราทราบไม่ได้ หลักธรรมชาติคืออะไรเป็นไงทราบไม่ได้ถ้าพุทธเจ้าไม่สอนพวกเราก็ทราไม่ได้แม้แต่ตัวเราเราก็รู้ไม่ได้จิตใจของเรา เ, เอาจิตใจเราไปรู้ทุกสิ่งอย่างสารพัดแต่โอกาสที่จะย้อนมาดูมารู้ใจตัวเองรู้ไม่ได้พุทธเจ้าท่านประกันแท้จริงก็คือหลักธรรมชาตินั่นแหละประ ก, กันพวกเราอยู่บนหลักของธรรมชาติตแต่โดยเหตุที่เราตีบกันด้วยสติด้วยปัญญา ต้องมีพุทธเจ้ามองบาตรมาสอนย้อนเหตุย้อนผลสำคัญนะยิ่งการประพฤติปฏิบัติธรรมด้วยแล้วมันยิ่งมีความจําเป็นยิ่งมีความสำคัญถ้าเราจะจับอารมณ์ความรู้สึกในใจของเราเนี่ยเราจับได้ทุกขณะเลยขณะนี้กิจใจของเราเป็นยังไงคิดมากฟุง้ง หรือสงบรือแนวต่อความสงบหรือกังวล น, นู่นกังวล น, นี้พอเราย้อนมาเราทราบทันทีโอ้นี่ผลผลเกิดจากอันี้ย้อนไปหาเหตุมันย้อนไปหาเหตุมันแม้แต่เรื่องของความดีท่านใครย้อนนะเช่นอย่างโอนาทีที่ผ่านมาหรือชั่วโมงที่ผ่านมานี่ทําไมกายของเราเนีอ่อนนิ่ม จิตใจของเรานอ่อนนิ่มนั่งภาวนานิ่งแนวโอเป็นเพราะเหตุใดพอเรากำหนดปับ๊บเราก็ย้อนไปย้อนไปที่เหตุโอมันเป็นเพราะยังไงเป็นพราะเราบรรยากาศดีพอดีพอเหมาะขนาดนี้ขนาดนี้เป็นเวลาที่ดีพอเหมาะขนาดนี้ขนาดนี้ไม่ทําให้เราง่งเกินไปไม่ทําให้เราหนักเนื้อหนักตัวเกินไป อารมณ์ไม่เนาไม่เย็นเกินไปไม่ร้อนเกินไปพอดีเพราะดีดมีลมโปรกแถว บ, ผบาผิ้วนั่งไปใจสบายได้รับความสงบแน่ยนี่เราย้อนจากผลนี่ไปหาเหตุการย้อนจากผลไปหาเหตุเนี่ยเป็นมันเป็นการกรองผลของธรรมเหมือนกันผลธรรมะที่เกิดขึ้นในใจถ้าให้กรองกรองกรองถ้าเผื่อมันยังไม่เต็มมันก็จะเต็มขึ้นธรรมะที่ยังไม่เต็มมันก็จะเต็มขึ้นเต็มขต็ กรครองไปครองมาครองมาครองไปยอ้อนไปหาเหตุมางทีเราก็จับจากเหตุไปหาผลอันนี้เราครองได้ทั้งเรื่องเรื่องบุญทั้งเรื่องบาปทั้งเรื่องดีทั้งเรื่องไม่ดีบุญกับบาปดีกับไม่ดีมันก็อันเดียวกันนั่นแหละบุญกับบาปเป็นคู่กันดีกับไม่ดีดีกับชั่วเป็นคู่กัน เราจะเอาถ้าเราจะจับคู่มันก็คือชั่วกับบาปคู่กันดีกับบุญคู่กันสุขกับทุกข์เนี่ยถ้าเราจะจับถ้าเราจะจับคู่กันสุขก็คู่กับบุญทุกข์ก็คู่กับบาปเห็นไหมเป็นอันเดียวกันที่เราถ้าเราจะจับเหตุผลเหตุผลเหตุดีผลดี เหตุชั่วผลชั่วจบลงมาแล้วก็มีธรรมะอยู่สองอย่างสมัยเวลาเท่าไหร่เนี่ยที่ห้สิบที่หิสกับทุกบุญกับบาปดีกับชั่วกุศลกับอกุศลเนี่ยนี่ ทุกอย่างถ้าเราจะจับเ้วจับได้สองสองข้างความทุกความชั่วความบาปมันเป็นเหตุเป็นผลของมันเองไม่ใช่ทำไม่ใช่ทาเหตุทาเหตุชั่วแล้วมาได้ผลดีไม่มีนะไม่มีเหตุชั่วต้องได้ผลชั่วเหตุสุขต้องได้ผลสุขเหตุทุกข์ต้องได้ผลทุกข์ เหตุดีต้องได้ผลดีเหตุชั่วต้องได้ผลชั่วไม่ใช่เหตุชั่วแล้วไปได้ผลดีไม่มีไม่ใช่เหตุดีแล้วไปได้ผลชั่วไม่มีเหมือนอย่างคนบางคนที่ชอบชอบพูดว่าทําดีไม่ได้ดีนี่คือคือพูดตามความรู้สึกของตัวเองมันผิดไปจากหลักสภาวะธรรมผิดไปจากหลักของเหตุผล แต่ความต้องการของใจของคนเราเน่ยมันไม่มีขอบเขตไม่มีประมาณต้องการแต่สิ่งที่ดีๆทั้นั้นแหละแต่ความประพฤติคือเหตุที่มันไปทำเน่ะคือเหตุที่ทําเนี่ยไม่ค่อยคานึงถึงที่เหตุทําไปยังไงผลก็เป็นไปตามนั้นและอีกอย่างหนึ่งก็คือหลงไม่รู้ว่าอันนันคือเหตุดีเหตุชั่วที่แท้จริงด้วยเหตุที่ไม่ได้ศึกษาไม่ได้ฝึกฝนไม่ได้อบรม ก็เลยอันนี้แหละดีอันนี้แหละดีนนะดทุกจริตอย่างนี้แหละดีะได้ร่าจะได้รวยเหมือนเคยได้ยินคนบางคนเขาบอกโอทําไมโกงไม่รวยนะเนี่ยเขาพูดเฉยเลยนะโอ้ท oh, ําไมโกงไม่รวย <laughs> เราฟังดูว่าอะไรวะคนเนี่ยโอทําไมโกงไม่รวย <laughs> เขาพูดเป็นตูวเป็นตาเป็นจริงเป็นจังในใจของเขานะในตัวเขาเองนะ ไม่ให้พูดเรื่องของคนอื่นวิจารณ์เรื่องคนอื่นไม่ใช่นะเราเคยได้ยินต่อนหน้าต่อตาเนี่ยก็บอกทำอะไรโกงก็ไม่รวยเาพูดเฉยเลยนะโต ต, ต, ต, ตนี่เลยนี่คืออะไรคือทำอะไรตามใจชอบจะขอให้ได้ผลตามที่ข้ขขพาพเจ้าต้องการก็แล้วกันผิดถูกไม่ว่าเนี่ยเําว่าตามใจชอบตามใจเอาอะไม่ได้คำนึงว่าผิดว่าถูกว่าดีว่าชั่ว เราหวังผลคือหวังยังไงอ่ะหวังให้มันได้ไดีๆอ่ะถ้ากําไรก็ให้มันได้กําไรมากๆถ้าพูดถึงว่ามได้ยศก็ให้ได้ยศใหญ่ ๆ, หๆได้เกียรติก็ได้เกียรติสูงๆถ้าเป็นเงินเป็นทองกําไรก็ให้กำไรเยอะๆนี่คือความต้องการถ้าพูดถึงสุขอยาะให้สุขยิ่งๆความต้องการของมนุษย์ความต้องการก็คือความ ใจมันชอบใจมันต้องการใจเป็นนามธรรมบางอย่างมันนึกคิดเฉยๆมันเป็นเหตุในภายในมันไม่มีผลออกมาในภายนอกถ้านึกคิดแล้วเอากายเอาวิจารไปประกอบ ม, มันถึงจะถึงจะมีผลออกมาในภายนอกด้วยเหตุที่เรานึกคิดนั่นแหละเราถึงไปทำนู่นไปทํานี้มันเป็นผลพลอยพ่วงตามมาเนี่ยถ้าไม่ ถ้าไม่โกงไม่รวยนีแสดง ว, ว่าเขาอยากรวยแต่ในขณะเดียวกันเขาก็อยากโกงเพราะอะไรเพราะถ้าโกงเนี่ยเป็นเหตุให้รวยเราฟังดูสิคนเราต้องการแต่ความสุขความเจริญถ้าเราจะเทียบเหมือนอย่างเคยเทียบให้ฟังหลายครั้งนั่นต้องการจะขีดให้เป็นสีขาวสีขาวเราเทียบได้กับความสุขความเจริญแต่เวลา เขาเอาผู้กันไปจุม่มเอาแปลงไปจุม่มเขาไปจุ่มสีดำการที่เขาไปจุ่มนั่นแหละเป็นเหตุพอเวลาเขาไปป้ายหรือเขาไปเขียนเหตุมันก็ต้องเป็นไปตามผลมันก็ต้องเป็นไปตามเหตุเราแปลงมันไปจุ่มสีดำมันไปขีดแล้วมันเป็นสีขาวมันเปลี่ยนไปไม่ได้นี่เราเปรียบเทียบนี้เราก็าใจง่ายคนทุกวันเนี่ย คนไม่ค่อยคำหนึ่งไม่รู้ไม่ค่อยจะรู้ไม่ค่อยจะคำหนึ่งบาปบุญคุณโทษมีความนึกคิดแบบนี้แหละมีความนึกคิดว่าอยากจะป้ายให้เป็นสีขาวขี่ให้เป็นสีขาวอยากจะลงให้เป็นสีขาวอันนี้เป็นครอเรียบเทียบสีขาวคือความสุขความเจริญต้องการความสุขความเจริญแต่ไปทาเหตุสเปรศปะเหตุผิดกระทาเหตุถูกก็ทาเหตุดีก็ทำเหตุชั่วก็ทา กุมวันอย่างไปจุม่มไปป้ายไปจุ่มสีนะัต้องการป้ายสีขาวก็ต้องไปจุ่มสีขาวสิลองจุ่มสีขาวนะรับตาป้ายมันก็ต้องเป็นสีขาวอยู่วันยังข้ามอะไรแต่เวลาไปจุม่มไปจุมสีดํานะแต่ว่าเวลาไปป้ายต้องการให้สีที่ป้ายเป็นสีขาวอันนี้เป็นข้อเปรียบเทียบที่เรายกตัวอย่างมาให้เข้าใจง่ายๆความต้องการในใจของคนเราก็เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้น เวลามันไม่สมหวังเขาเนี่ยเขาจึงว่าทำดีไม่ได้ดีเขาคิดว่าที่เ็าทำเนี่ยเป็นเหตุว่าเป็นเหตุดีเต่เราศาสตร์ทำดีทำไมมันไม่ได้ดีแท้จริงมันไม่ใช่ทําดีมันไปทำไม่ดีนั่นแหละเหมือนอย่างที่ว่าทำไมโผงไม่รวยนั่นเขาคิดว่าเขาจุ่มสีขาวแท้จริงไปจุ่มสีดำลองไปป้ายป้ายมันก็เป็นอะไรมันก็ต้องเป็นสีดำ นึกว่าเราจุ่มสีดำไปป้ายไปขีดมันก็ต้องเป็นสีดำเพราะเหตุกับผลไม่มีผิดเพี้ยนกันไปพิสูจให้ดีไปวิจัยวิจารณ์ได้ดีไม่เป็นอื่นไปจากนี้พุทธเจ้าธรรมะของพระองค์มีสองอย่างนี่เหตุกับผลนั่นแหละพิจารณาละเอยียดลึกซึ้งเข้าไปนะย้อนเข้าไปย้อนเข้าไปย้อนเข้าไปเราไม่ต้องไปสับสนวุ่นวายอะไรมากย้อนมาที่เหตุที่ผลเราเห็นข้อปฏิบัติได้เลย เห็นเรื่องเห็นราวเหเหตุเห็นผลจับหลักได้ทันทีโลกนี้เราอย่าไปดูให้สับสนวุ่นวายอะไรมากดูที่เหตุที่ผลดูที่เหตุแก้ที่เหตุรู้สึกโอเหตุนี้เป็นผลไม่ดีแก้ที่เหตุต้องแก้พวกเราอยู่ในฐานะที่จะต้องแก้ด้วยกันทุกคนแก้สิ่งที่ไม่ดีให้เป็นสิ่งที่ดีแก้ข้อปฏิบัติแก่ความประพฤต สิ่งที่พังไม่ดีกิเลสนั่นแหละมันไม่มีอะไรหรอกจะเป็นเรื่องของทำแล้วเนี่ยไม่ต้องแก้แหละออกมาเปียเป้ยๆตามหลักธรรมชาติตามหลักความเป็นจริงตามเหตุตามผลแต่ก่อนที่เราจะรู้เรื่องธรรมเนี่ยที่มันยากไม่มีพุทธเจ้ามาบอกมาสอนไม่มีครูบาอาจารย์มาบอกมาสอนมาพร่มมาสอนเนี่ยพวกเราก็มืดตึ๊กไปหมดเลย มีคนมาเปิดให้สติปัญญาก็เป็นตัวของตัวอยู่แต่มันไม่มีคนมาจุดประกายให้เหล็กเรามีอยู่หินเรามีอยู่แต่เราไม่ยอมเอามาเสียดสีกันให้เกิดประกายไฟต้องผู้รู้ท่านมาจุดประกายไฟให้ต้องอามาเสียดสีกันนะชักประกายเกิดขึ้นเลยไฟเกิดขึ้นประกายเกิดขึ้นนะชักประกายเกิดขึ้นะ่ะ เห็นไหมไฟแชกเราเนะ่มันมีเหล็กกระหินไหมจะแชกเราลองหมุนหัวมันชักมันเสียดสีกันนะเป็นประกายไฟออกมาเลยนะไฟมันเกิดอย่างงั้นนะปัญญาของเราเช่นเดียวกันปัญญาก่อนที่จะเกิดมันก็ต้องอาศัยเราเสียบสีความนึกความคิดความผ่านไปไค่ไปครวนไปอนะไรเกิดประกายขึ้นมาโอ้พอประกายเกิดขึ้นมา บางทีมีสิ่งรับไฟมันก็ติดไฟเช่นอย่างเทียนเงี่ยถ้าติดขึ้นมาอา้าวได้ไฟไฟทำให้สว่างเห็นหมดเลยที่มืดมื่ น, นอะไรอยู่รอบข้างตรงนั้นเห็นหมดปัญญาก็เช่นเดียวกันพอเราจุดประกายเกิดปัญญาขึ้นมาเห็นหมดเลยเห็นผิดชอบทั่วชั่วดีหมดเห็นเหตุเห็นผลเพราะงั้นถ้าเราย้อนมาที่หลักปฏิบัติชั้นสูงก็ เห็นสมุทยัยเห็นที่เกิดของทุกเดี๋ยวนี้พวกเราถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่นี่ทำไมเราจะแก้ทุกข์ได้ท่านบอกว่าทุกข์มันเป็นผลมันเกิดมาแล้วเราแก้ไม่ได้หรอกเราต้องไปแก้ที่เหตุมันเราต้องไปแก้ที่เหตุมันคือสมุทยัยสมุทัยก็คือี่เลสในใจของเราอยู่ที่ใจของเราไม่อยู่ที่ไหนไม่อยู่ไกลใกลใกลไกลที่ไหนไม่ต้องเดินไปแก้ที่นูนที่นี่ นั่งตรงนี้ก็อยู่ตรงนี้เห็นตรงนี้แก้ตรงนี้ไปที่ไหนมันก็ไปกับเรามันอยู่ที่ใจสมุทัยอยู่ที่ใจกามณาตหาภวะตนาวิภวตนาย้อนไปนั่นะะน่ะเหตุย้อนไ ป, นน เ, นไปเรื่องเหตุผลนี่เป็นเรื่องยิ่งใหญ่ไปเลยสัมพันเอาละไป